เมื่อที่ที่แล้วมีคนดังคนหนึ่งนะเสียชีวิตเป็นชาวอเมริกันชื่อว่าดังก็เพราะว่าเขาเคยเป็นดาราที่มีชื่อเสียงมากเมื่อสัก30ปีก่อนชื่อแมทธิเบอร์รีเขาเคยเป็นตัวเอกของละครหรือว่าหนังซีรีส์ซึ่ง ใช้ติดต่อกันมาถึงสิบปีเป็นละครหรือซีรีส์โทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงเรียกว่าอันดับต้นๆนะของอเมริกาเมื่อ30ปีก่อนและทำให้แมตต์ยเบอรี่เนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะว่าเขาเป็นตัวเอกที่เด่นที่สุดนะในรายการโทรทัศน์ชุดนี้ แล้วก็เป็นที่รักของผู้คนเพราะเขามีเล่นบทของคนที่มีอารมณ์ขันแล้วก็ฉลาดมีไหวพริบมีปฏิภาณที่ทำให้คนหัวเราะนะแล้วก็รู้สึกใกล้ชิดกับเขาเ้าก็น่าจะเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งนะเพราะว่าได้ทั้งชื่อเสียงเรียกว่าดังไปทั่วโลก แล้วก็มีเงินนะไม่ใช่น้อยเลยนะเล่นแต่ละครั้งนี้ก็ได้เงินประมาณหนึ่งล้านดอลลาร์สำหรับแต่ละตอนแต่ละตอนนะคิดดูแนละ้วหนังเรื่องนี้เนี่ยภาวยนต์ชุดนี้มันก็เยือนระยะถึงสิปีนะแต่เขาก็ไม่มีความสุขนะกลายเป็นคนที่ติดเหล้า แล้วก็ติดยายาเสพติดต่อเนื่องถึง30ปีเลยนะจนกระทั่งร่างกายก็ทนไม่ไหวเเกิดจะตายเมื่อ4ปีที่แล้วนะแต่ว่าก็รอดตายมาได้แต่ตอนหลังหลังจากที่เสพยามากสุดท้ายก็เสียชีวิต เชื่องเขานี่ก็เป็นอนุสติที่ดีนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เรียกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้คนปรารถนาแต่เขาก็ไม่มีความสุขซึ่งอันนี้มันก็สัมพันธ์กับชีวิตในวัยเด็กของเขาเพราะว่า ตอนที่ก็าอายุคแค่ขวบเดียวเนี่ยพ่อแม่ก็อย่าร้างกันเขาก็ต้องอยู่กับแม่ทั้งพ่อและแม่นี่ก็เป็นคนเก่งคนดังนะแม่นี่ก็เป็นนักเขียนแล้วก็เป็นเลขานุ ก, การของนายรัฐมนตรีแคนาดาพ่อนี่ก็เป็นดาราชื่อดังแต่ว่า ตั้งแต่อายุขวบเดียวนี่ก็ต้องอยู่กับแม่แล้วแม่ก็ไม่เคยมีเวลาให้กับลูกอยู่บ้านก็เครียดมีแต่เรื่องบนบ่นให้ลูกฟังลูกก็ต้องหาทางทําให้แม่นี้หายเครียดรู้จักพูดให้แม่รู้จักยิ้ม ทักษะในการพูดให้คนหัวร้อนนี่ก็มาจากการที่ต้องทําให้แม่ยิ้มให้ได้แม่จะได้มีเวลาฟังลูกไม่งั้นแม่ก็จะบน่นบ่นบนแม่สนใจลูกเลยลูกก็เป็นเพียงแค่วัตถุที่รองรับความเครียดของแม่แต่พอแม่หายเครียดนะแม่ก็เริ่มมาสนใจลูกแล้วก็ฟังลูกบ้างส่วนพ่อนี่ยเขาบอกว่า เขเห็นพ่อทางโทรทัศน์หรือทางทิทยสารนี้มากกว่าเห็นตัวเป็นๆซิเองนะก็กลายเป็นว่าชุดไ ว, วเดิงเขานี่มันไม่มีความสุขนะเพราะขาดความรักขาดความรักจากพ่อและแม่จะเรียกว่าพร่องก็ได้นะพร่องความรักแล้วพอพร่องความรักมก็เลยพร่องความสุขคุลรอพอ ขาดความรักไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่นัน่นก็ยากนะที่จะพาตัวเองให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องได้อายุสิขวบก็เริ่มสูบบุหรี่เริ่มลักขโมยไม่สนใจเรียนหนังสือการเรียนก็ตกต่ำย่ำแย่ ทั้งที่ก็ฐานะของทางบ้านก็ดีนะพออายุสิบสี่สิบห้าก็เริ่มกินเหล้าเจ้าตัวก็รู้นะว่ามันไม่ดีแต่ว่าหักห้ามใจไม่ได้เพราะว่ามีความทุกข์โดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างแล้วก็คิดว่าเหล้าเนี่ยมันจะช่วยทำให้ ลืมความทุกข์ได้แต่ตอนหลังเนี่ยนะก็จะเรียกว่าโชคดีก็ได้จับพัดจับผูมาเล่นหนังแล้วก็ได้บทที่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นตัวเขาเลยบทเนี่ยคือตัวเขาเลยเขาไม่ต้องใช้ความพยายามเลยในการเล่นเป็นคนคนนี้เพราะว่าเขาคือคนนี้อยู่แล้วตัวละครที่ชื่อ h a นเนล์ ละเขาก็ดังเนี่ยจากบทนี้แหละเพราะว่ามันคือตัวเขาแต่มันก็เป็นตัวเขาในบางแง่เท่านั้นนะเพราะมันมีบางแง่ในตัวเขาเนี่ยที่เขาไม่รู้เขารู้แต่เพียงว่าเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยมันพร่อง แล้วเขาก็มีความทุกข์แล้วเขาก็คิดว่าชื่อเสียงเนี่ยนะจะทําให้เขาเนี่ยหายทุกข์ได้นะอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดนะเขาเปิดเผยเลยนะในภายหลังเนี่ยว่าเขาคิดว่าเนี่ยชื่อเสียงนี่แหละมันจะช่วยทําให้เขาหายทุกข์แล้วก็มีความสุขได้หลังจากที่เคยพึ่ง เล่าแล้วก็พึ่งอะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็คิดว่าชื่อเสียงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะมาชดเชยทดแทนสิ่งที่เขาขาดหายไปแล้วเขาก็ได้นะชื่อเสียงอ้ดังมากเนเป็นตัวละครที่เด่นดังที่สุดในบรรดาตัวเอก6กคนเนี่ยแต่สุดท้ายก็พบว่าชื่อเสียงเนี่ยความเด่นดังก็ไม่ได้ช่วย ทำไม่ค่อยมีความสุขเลยหรือพึ่ยงยาก็คือว่ามันไม่ได้ช่วยเติมเต็มจิตใจของเขาเลยพอใจในระการเติมเต็มมันพร่องึีนมาเกิดความทุกข์ก็ต้องหาทางดับทุกข์หรือว่าลืมความทุกข์นะก็เลยหันไปพึ่งยาเนาะคราวนี้เลาไม่เอาแล้วเอายาซะเลยนะเล่นยานะยานี่มันก็มี หลายตัวนแะแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆกลยเป็นคนติดยาแล้วพยายามที่จะดิดนน้นรนนะออกจากนรกคุมนี่ก็าบ อ, อก30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเสียเงินไปถึงเจล้านดอลลาร์เนเพื่อที่ทำให้เลิกยาเจ้านดอลลาร์เดือนนี้มันก็ละเท่าไหร่สอ0รอกว่าล้านบาทเขาเนี่ย ต้องไปเข้าสถานพักฟื้นสถานฟื้นฟูเนี่ยคนติดยาเนี่ยสบห้าครั้งนะแปลว่าสองปีครั้งเลยเราต้องไปหาหมอเนี่ยนะอาทิตย์ละสองครั้งตลอด30สปีที่ผ่านมายังไม่นับนะไปเข้ากลุ่มบำบัดในฟรังเนี่ยมันมีกลุ่มบำบัดนะชื่อว่า AA ดับเบิลเนี่ย เขาบอกเข้าเนี่ยรวมแล้วเนี่ยหกพัครั้งนะสาปีนี่แปลว่าปีหนึ่งเนี่ยนะหกรครั้งได้นะปีหนึ่งก็200ครั้ง30ปีก็ 6,000 ครั้งพยายามนะแต่ว่ามันก็ไมไ่ช่วยทำให้เขาเนี่ยมีความสุขหรือว่าได้รับการเติมเต็มเลย เป็นคนที่พร่องความรักนะตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็หยหาความรักนะจากเพศตรงข้ามแต่ครั้นได้มาแล้วเขาก็ไม่มีความมั่นใจนะว่ามันจะเป็นสิ่งมันจะเป็นรักแท้หรือเปล่าเกิดความระแวงพอระแวงก็คิดว่าเนี่ยอาจจะถูกเขาทิ้งก็ได้ หรือไอ้ถูกเขาตัดรักก็ได้ซึ่งจะทุกข์มากแทนที่จะเป็นฝ่ายถูกทิ้งก็ทิ้งเขาก่อนดีกว่าเพราะนั้นก็เลยทิ้งคนแล้วคนเล่าเพราะกลัวเจ็บหากเป็นฝ่ายถูกทิ้งเ น, นี่ยนมันสะท้อนถึงความสะท้อนถึงภาวะความรู้สึกของคนสมัยนี้จํานวนไม่น้อยเลยนะ แต่ทั้งที่มีเงินมีทองมีชื่อเสียงแต่ว่ามันไม่ได้ชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปหรือผู้อย่งนั้นคือมันไม่ได้เติมเติมเต็มจิตใจเลยที่ว่าไปเนี่ยนะเขาไม่ได้แค่ขาดความรักนะหรือหวยหาความรักจากผู้อื่น สิ่งที่สำคัญคือเขาขาดความรักในตัวเองเ้าไม่รู้ตัวนะวค้เขาขาดความรักในตัวเองเพราะว่าลึกๆเนี่ยการที่เขาถูกพ่อแม่ละเลยไม่เอาใจใส่เนี่ยพ่อแม่ต้องเลิกลาจากกันมันก็ทำให้เขาคงรู้สึกว่าฉันไม่มีคุณค่านะ ฉันไม่มีคุณค่าพอที่จะทำให้พ่อแม่เนี่ยมารักฉันเอาใจใส่ฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยคงจะมีความไม่ดีฉันคงจะแย่นะไม่จึงไม่คู่ควรกับความรักของพ่อแม่อันนี้มัคงจะเป็นสิ่งที่ฝังใจเขาอยู่ลึกๆนะเป็นปมเนาะ ซึ่งเขาจะไม่รู้ตัวก็ได้เขาคิดว่าเนี่ยเขาขาดความรักของพ่อแม่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาขาดความรักในตัวเองขาดความนับถือตัวเองซึ่งที่จริงเนี่ยถ้าหาว่าเขาได้หันมานะหันมาทำความรู้จักกับตัวเองจนกระทั่งสามารถจะรักตัวเองได้นะช่วยเขาคงจะได้รับความเติมเต็ม แทนที่จะไปหาสิ่งอื่นนะมาเติมเต็มจิตใจเช่นชื่อเสียงเงินทองในการที่คนเราเนี่ยจะรู้จักตัวเองแล้วก็หันมารักตัวเองได้นี่จริงๆแล้วมันก็ต้องอาศัยนะการมาเรียนรู้เรื่องจิตใจของตนนะการภาวนา มันก็เป็นหนทางหนึ่งนะในการที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะรักตัวเองได้จนกระทั่งพบว่าเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเป็นวิธีไ เ, เสรเท่ากับจิตใจของเราทุกวันนี้คนเนี่ยนะ รู้สึกว่างเปล่าในจิตใจนี้มากเลยแล้วก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาลูกสันชาติอย่างคนเรานะพอว่างเปล่าเราก็ต้องพยายามหาอะไรมาเติมเต็มแต่ถ้าเอาแต่ถ้าไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จะมาเติมเต็มจิตใจได้บางทีมันก็กลับเกิดโทษหรือว่าเสียเวลานะีทำให้นึกถึงเรื่องราวนะของ ครูคนหนึ่งนะเคยได้ยินมามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียเมื่อสักบ5กปีที่แล้วอาจารย์วิศนุเนี่ยนะมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะแล้วก็สองคนที่เด่นนะคนหนึ่งเนี่ยก็ชื่อเกษมอีกคนหนึ่งก็ชื่อจิตเกษมนี่นะเป็นรุ่นพี่นะแต่แกก็รู้สึก น้อยใจที่อาจารย์เนี่ยไปให้ความสำคัญหรือปลดปลารุ่นน้องมากกว่านะนั่นคือจิตนะอาจารย์ก็รู้นะวันหนึ่งก็เลยเรียกสองคนมาแล้วก็พาไปดูเรือนว่างสองหลังที่อยู่ใกล้ๆกันเรือนว่างนีคล้ายๆกุฏินะเล็กๆ มีประตูมีหน้าต่างแล้วจารย์ก็ให้ทั้งสองคนคนละนรูปีนะบอกว่าเนี่ยให้เธอเนี่ยนะไปเติมห้องของเธอเนี่ยให้เต็มด้วยเงิน1รูปี1รูปีเนี่ยนะเมื่อทั้ง5 0า0กปีที่แล้วก็ประมาณ2บาทนะมันก็ มันก็น้อยมากเลยนะแต่ว่าอาจารย์ก็มอบหมายนะงานให้ศิร็์เอกสองคนแล้วาจเราบอกจะมาดูผลงานเนี่ยตอนค่ำให้เวลาเนี่ยทั้งวันในการเติมเต็มห้องเนี่ยให้เติมห้องให้มันเต็มให้มันหายว่างเมเนี่ยพอได้เงิน ก็รีบไปที่ตลาดเลยแต่ก็ซื้ออะไรไม่ค่อยได้นะเพราะว่าหนึ่งโรปีมันนิดเดียวแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าถ้าเราเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปเหมาซื้อขยะก็คงจะได้ขยะไม่น้อยนะก็เลยเนี่ยไปซื้อขยะจากคน นะเก็บขยะแล้วเขาช่วยขนนะเอาขยะมาขนใส่ห้องใส่เรือนของเขาใส่จนเต็มเลยนะหนึ่งรู ป, ปีนี่มันก็ได้มาไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับการเอาขยะมาเติมให้เต็มห้องส่วนจิตเนี่ยเมื่อได้หนึ่งรู ป, ปีแล้วแกก็ ทีแล้วยังคิดไม่ออกนะทำยังไงแล้วก็นั่งสมาธิแล้วไม่นานก็พบคำตอบเดินไปที่ตลาดแล้วก็ซื้อในกิจไฟแล้วก็ประทีบนะแล้วก็ทูก่กลับไปที่ห้องนะพอ ตกเย็นนะแกก็จุดธูปจุดประทีป พ, พอตกค่ำเนี่ยนะอาจารย์ก็มาติดตามผลงานก็ไปที่ห้องของเกษมก่อนพอเปิดประตูห้องขึ้นมาเนี่ยโอโพังหงาเลยนะเพราะกลิ่นขยะนี่มันเหม็นแต่ครั้นอาจารย์เนี่ยไปที่เรือนของ จิตนะพอเปิดประตูเนี่ยก็โอ้เห็นห้องนี่เรืองไปด้วยแสงเต็มห้องเลยแล้วอบอวนไปด้วยกลิ่นนะกลิ่นหอมกลิ่นมะลิกลิ่นแก่นจันอาจารย์ก็ยิ้มเลยพอใจถึงตรงนี้เนี่ยน ะ, กะเกษมก็รู้แล้วว่าทำไมอาจารย์เนี่ยึงโปรดปรานจิตนะ พรผลงานมันซองเนี่ย้าคนยังไม่น้อยเนี่ยนะอยากจะเติมเต็มชีวิตหรือว่าเติมเต็มจิตใจแต่ว่าวิธีการเติมเต็มก็คือไปเอาขยะมาเอามาสวมเอามากองขยะในที่นี้หมายถึงอะไรนะก็หมายถึงเงินทองชื่อเสียงเพราะพวกนี้เนี่ย มันเมื่อเอามาแล้วเมื่อได้มาแล้วมันก็เป็นภาระมันเต็มไปด้วยโทษไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริงหรือเพื่อนก็คือมันไม่ได้เติมเต็มนะจิตใจได้อย่างแท้จริงกลับทำให้จิตใจนี่รกด้วยนะรก และบางครั้งเนี่ยมันก็สามารถที่จะร้อยคนเราทำชั่วได้ทำชั่วเพื่อชื่อเสียงเพื่อความเด่นดังทำชั่วเพื่อได้มีเงินมีทองมากมายมันก็เลยมีค่าหรืออุปมาไม่ต่างจากขยะเพราะถึงที่สุดแล้วก็ไม่ได้ทำให้จิตใจมีความสุขอย่างแท้จริงนะอย่างนัตช p เพอร์รี่เนี่ยหรืออีกหลายคนเนี่ย มีชื่อเสียงมีเงินทองแต่ว่าไม่มีความสุขนะชีวิตก็ยังว้าวุ่นจน ต, ต้องไปพึ่งยาแต่ว่ามีบางคนที่ฉลาดนะมีปัญญาการเติมเต็มเนี่ยชีวิตเนี่ยแทนที่จะเอาอะไรต่ออะไรมาสุมมากองก็อาศัย คุณธรรมความดีแล้วก็ปัญญาแสงประทิเที่เต็มห้องนะมันก็เปยนประมางปัญญาส่วนกลิ่นหอมนี่ก็หมายถึงความดีนะคือคุณธรรมห้องเนี่ยก็มันก็ชัดอยู่แล้วนะก็หมายถึงชีวิตหรือจิตใจคนเราเนี่ยถ้าว่าเราใช้ ท, ที่จะไปหาเงินทองชื่อเสียงมาเติมเต็ม ชีวิตหรือจิตใจเนี่ยให้แสวงหาคุณธรรมความดีแล้วก็สติปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงการรู้จักตัวเองและการเข้าใจนะความจริงของชีวิตนะจนกระทั่งรู้ว่าอะไรคือสาระที่แท้ของชีวิตรู้ว่าอะไรคือจุดหมายที่แท้ของชีวิตจนกระทั่งนะ สามารถที่จะรักตัวเองได้รักตัวเองได้เพราะว่าเห็นคุณค่าของตัวเองหรือภูมิใจในตัวเองภูมิใจเพราะอะไรภูมิใจเพราะได้ทำความดีการทำความดีก็ทำให้เกิดความสุขเป็นความสุขใจคนเราเนี่ยที่พร่องเนี่ยหรือว่างเปล่าเนี่ยเอาเงินทองเท่าไหร่มาเติมก็ไม่เต็ม เพราะมันไมไ่ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงความสุขอย่างแท้จริงมันเกิดจากการที่รู้จักรักตัวเองขอรบตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองรวมทั้งการที่ได้มันทำดีสร้างกุศลจนรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็รวมถึงการได้เข้าถึงความสงบในจิตใจด้วย สิ่งที่คนเราพร่องเนี่ยนะจริงๆแล้วคือพร่องความสุขความสงบพร่องความรักในตัวเองซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อไม่หลงเพลิดเพลินนะใน การตามใจกิเลสกิเลสมันก็อยากจะได้ชื่อเสียงอัตตามก็อยากจะได้การยอมรับคำสรรเสริญหรือว่าการมีวัตถุสิ่งเสพมาปนเปื้อแต่ว่ายิ่งได้มาเท่าไหร่ยิ่งได้รับการปนเปื้อเท่าไหร่นะมันก็ทำให้ มีความทุกข์มากขึ้นไม่สามารถจะพบกับความสุขที่แท้จริงนะั่นคือความสุขอันเกิดจากความสงบความสุขอันเกิดจากการที่ได้ทําความดีความสุขอันเกิดจากการที่ได้รู้จักตัวเองงั้คนเราเนี่ยถ้าหากว่าได้เนะข้าใจ ว่าความพร่องของจิตใจเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็รู้จักที่จะหาสิ่งนั้นมาเติมเต็มต ม, มันก็จะเกิดความเต็มอิ่มกับชีวิตขึ้นมาแต่ทุกวันนี้คนเราเวลาเวลาพร่องแล้วเนี่ยเราก็ไปนึกว่า ลาบยศสารเสริญเนี่ยมันจะช่วยเติมเต็มได้แต่ยิ่งแสวงหาราบยศสารเสริญก็ยิ่งวาวุ่นก็ยิ่งร้อนรุ่มหรือว่าเกิด ค, ความขัดแย้งก็ว่าต้องไปแย่งชิงจากผู้อื่นเกิดการทะเลาะบอกแวงกานเกิด ค, ความรุ่มร้อน หาความสุขความสงบเย็นในจิตใจไม่ได้งั้นวันนี้นี่ถึงมเราจะเห็นผู้คนเนี่ยพรั่งพร้อมในวัตถุสิ่งเสพหรือพรั่งพร้อมไปด้วยทรัพสมบัตินะแต่ว่าข้างในเนี่ยกลับกลวงแล้วก็ยังไม่รู้นะไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในจิตใจเนี่ยหลายคนก็ยังคิดว่าเป็นพ่อยังมีไม่พอยังดังไม่พอแต่จริงไม่ใช่นะมันเป็นพ่อยังสงบไม่พอมากกว่าแทนที่จะไปสแสวงหา อะไรต่ออะไรมามาเติมเต็มบ้านให้มันเต็มไปด้วยทรัพสมบัติเราหาสิ่งที่เป็นคุณค่าแท้มาเติมเต็มจิตใจ ด, ดีกว่านะซึ่งมันก็สะท้อนนะจากเรื่องของอาจารย์วิษณุเนี่ยว่าเนี่ยสิทธิ์ที่ฉลาดเนี่ยเขาจะรู้จักเติมเต็มเรือนที่ว่างด้วย แสงสว่างจากประทีปแล้วก็กลิ่นธูปนั่นคือคุณธรรมความดีแล้วก็ปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ยที่ดีสุดคือปัญญานี้ความเข้าใจในชีวิตและความเข้าใจในตัวเองจนกระทั่งเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็รักตัวเองได้พอรักตัวเองได้เนี่ยมันไม่ต้องไป โหยหาความยอมรับจากผู้อื่นก็สามารถจะมีความสุขได้อข้าน้พูดธ์ทางนี้นะอ